ค่ะอธิบายให้คือไม่เข้าไปแทรกแซงเหมืองว่าแบบถ้าเกิดมันมีสติมันก็คือจะรู้ขึ้นมาเฉยๆแล้วมันก็ดับคือเหมือนกับมีอะไรเกิดขึ้นพอรู้แล้วมันก็คือดับไปเองจริงหรือเปล่าคะเพราะมันดับเองอยู่แล้วอืมค่ะถ้ า, ถ, าถ้ามีรู้เกิดขึ้นมันก็คือจะดับกันไปเองแต่บางทีเหมือนกับว่าเราเราอาจจะไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเข้าไปแทรกแซง แต่ปัญหาคือเรารู้สึกว่าเรามีสติน้อยเหมือนกับว่าเรามีแรงน้อยไม่ค่อยมีสติมันชอบหลงไปนานๆมันจะเข้มแข็งขึ้นต่เมื่อเราขยันฝึกเราหลงทุกคนเนี่ยต้องหลงก่อนพอหลงแล้วเราฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆบ่อยๆมันก็ความหลงก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆปตั้งต้นที่จะบอกว่าสติไม่ขาดเลยไม่ได้แร้ ต้งขาดทุก่อนทุกคนแล้วก็ตั้งใจเอาพอมันหลงไปหลงไปแล้วก็หลงไปกับอะไรแล้วก็รู้ตัวตันเอาหลงคิดหลงมือเปิอเปติดไปกับสิ่งใดแล้วก็รู้ตัวตันรู้สึกตัวขึ้นมาหลงคิดปรุงแต่งไปอดีตอนาคตหลงคิดปรุงแต่งไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เราก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาบ่อยๆมนหลงแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาอพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่มัน มันมีปฏิก like ิริยาการเกิดขึ้นในใจเราก็ปล่อยวางมันอย่างเดียวมันสองขั้นตอนนะขั้นตอนแรกเนี่ยถ้าเราหลงไปกับสิ่งใดเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนเราหลงคิดหลงไม่มีอารมณ์กับสิ่งใดแล้วเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเราไม่หลงแล้วเนี่ยรู้สึกตัวแล้วมันในใจิตใจเราเนี่ยมันจะจิกจิกจิกจุ๊งจิกจุ๊งจิกจุ๊งตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่ามันจุกจิกอะไรมันที่มันไม่มีไม่มีเป็นเรื่องเป็นราวหรอกถ้าเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือหลงอีกแล้ว ว่าหรือคิดเป็นถึงคน น, ค น, นั้นคนนีเน้เป็นเป็นรูปร่างของคนนั้นคนนี้แล้วอันนี้หลงอีกแล้วเราก็ต้องรู้สึกตัวกันอีกรู้สึกตัวกันอีกจนกระทั่งมันไม่ได้พอรู้สึกตัวแล้วมันจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เราหลงคิดเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าเป็นภาพของคนนั้นขึ้นมาอยู่ในใจเรามันจะมีอาการเพียงแค่จุ๊กจิกจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิกในใจอย慢慢่างเนี้ยมันไม่หลงแล้วเร า, าก็รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบัน annel. มันไม่หลงไม่หลงแล้วจะมีหน้าที่อย่างเดียวคือปล่อยววววาาาาางงงงงททุุกกกออออยยยยย่่่่่ีีมันนจจ๊ๆใใปปลลเด มันก็มีแค่นี้เอง ก, การปฏิบัติเข้าใจไหมพอเข้าใจค่ะแต่ว่าเราเราก็รู้สึกว่าเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีสติมันเป็นความอยากแล้วเราก็ไม่ชอบที่หลงลเรารู้สึกว่าเหมือนกับเราไม่มีแรงเหมือนกับว่าแบบสมาธิไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาก็รู้สึกเหมือนกันจริงๆเราควรจะนั่งสมาธิเยอะหรืออะไรอย่างนี้ไหมอะค่ะคือเรานั่งสมาธิเยอะก็ได้เดินจกร ม, มเยอะก็ได้ แต่การนั่งสมาธิก็คือเพื่อให้มีสติสังเกตเห็นได้บ่อยๆว่าหลงหรือไม่หลงการเดินจงกรมมากๆก็เพื่อให้มีสติสังเกตเห็นว่าเราหลงหรือหลงหรือไม่หลงถ้าไม่หลงแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างที่อยู่ในใจไปมันสองขั้นตอนน่ถ้าเราเนี่ยไม่ไม่ไมาอยู่กับท่ามาตรฐานคือนั่งสมาธิเดินจงกรมเราอยู่กับการทำงานในทุกขยบุตรเนี่ยแล้วเราก็ ไม่รู้ว่าในใจของเราเนี่ยมันมีมันไม่กิปฏิกิริยาอาการเกิดยังไงในใจจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กเราเาไม่ได้ปล่อยวางตลอดเวลาอย่างนี้เราก็หลงทั้งวันเลยโอ้ยเราก็หลงไปกับสิ่งโน้ิ่งนี้เรานึกว่าเราไม่หลงแต่เราไม่รู้เรื่องเลยว่าในใจเรามันจุกจิ๊ก๊กจ๊กตลอดเวลาแล้วเราก็ได้ปล่อยวางตลอดเวลาเรานึกว่าเราไม่หลงแต่เราไม่รู้เลยเราไม่รู้ในใจเราเลยว่ามันจุกจิ๊กจิ๊กจิ๊แล้วก็ไม่มีการิุ่งกับมัน ใจก็เป็นความว่างเปล่าเป็นความเงียบความสงบความสงบไปตั้งจักรวาลโลกธาตุเนี่ยแต่อาการของใจก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างเงี้ยเราอานใจเราขาดอย่างเงี้ยก็ไม่หลงแต่ทุกขณะปัจจุบันเราไปฝึกกับการทํางานเลยเนี่ยยากยากต้องรับการฝึกใหม่ๆขนาดระดับเก่งๆแล้วยังยากเลยต้องอาศัยความสงบใจอยู่เพียงเงียบๆถึงจะเห็นได้ถึงจะอ่านขาดว่าอืม หลงไปคิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะหลงไปคิดเป็นรูปเป็นร่างเลยหลงไปคิดในอดีตไปกังวลกับอนาคตแต่อย่างเงี้ก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาบ่อยๆจนกระทั่งอ่านใจตัวองขาดว่าไม่หลงไปกลับอะไรนะไม่หลงติดไปกับอะไรแล้วไม่หลงเข้าไปแทรกแสงดิ้นหล่นผักสายอะไรไม่หลงติดไปกลับอะไรไม่หลงเข้าไปแทรกแสงดิ้นหล่นผักสายอะไรตอนนี้ก็มีหนาา้าที่ไปว่อางอย่างเดียวเลยปล่อยวางไม่เข้าไปยึดอะไรเดืแต ah ่แ ah ค่ร ah ับ ah รู ah ้ ah ah ได้แต่แค่รับรู้ตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันไปวางอย่างเดียวหรือว่าแค่สัตว์วรรับรู้ตามความเป็นจริงทุกสิ่งที่อย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตใจของเราเพราะเราไม่แทรกแซงแล้วมันก็เลยแต่แค่รับรู้ถ้าเรายัางพยายามจะไปแทรกแซงอะไรก็ยังหลงอยู่ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาปัจจุบันก็มีแค่เนี้ยไม่มีอะไรมากเพราะแม่ครูบาอาจารย์นั่นก็ว่าสติตั้งที่ใจสติตั้งที่ใจดูที่ใจ รู้อยู่ที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจตลอดเวลาสติตั้งที่ใจได้หลงก็อสติตั้งที่ใจหลงไว้ปสติตั้งที่ใจแล้วสุดบ่อยเดี๋ยวก็สติมันก็ตั้งที่ใจพอสติตั้งที่ใจได้แล้วท่านก็รู้ซื่อๆู้ซื่อๆู้ซื่อๆอย่างที่มันเป็นรู้อย่างที่มันเป็นตรงไปตรงมาแต่ที่กรแปะมากับพุทธเจ้าตัดกับพะยะ ว่าสักแต่ว่ารู้ถ้าเธอสักแต่ว่ารู้เธอจะพ้นทุกข์จะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าเธอจะสิ้นกิเลสพ้นทุกข์บรรลุนิพพานสักแต่ว่าแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ลพบุตาจะรู้ธรรมโอติ่งใช้คำว่าผู้สื่อสื่อผู้ซือซ่อสื่อเป็นปภาษาอีสานผู้ซือ่อสื่อผู้ซือ่อสื่อเกิดเลยขึ้นในกายในใจเราผู้ซือ่อสื่อผู้ซือ่อสื่อมันจะฉุดใจไม่ถูกใจผู้ซือ่อสื่อผู้ซือ่อสื่อไม่เข้าไปปรุงแต่งเลย ผู้ ซ, ซื้ออย่างเดียวเราจะเข้าไปช่วยตัวเราเฉพาะกรในหลงแค่นั้นเองถ้าไม่หลงถ้าเราเข้าไปช่วยตลอดเวลาหลงตลอดเวลาเลยเข้าใจ